ا ل ل ه ل ر ح م ن الرحيم الحمد لله رب العالمين ص ل و ا ل ه و س ل ا م على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ت ر ب ي ن ا على المجلس العلمي ثم و ق ت ي ل ا ؤ المجلس العلمي ق ج بن บรรยายเฉพาะที่บรรยายที่มัสยิดเพื่ออธิบายความหมายคุรอ่านและฮะดีสของท่านนนมิซอลลัวะอะลัยอุสัลัมผมได้ดำรงเรื่องการสอนคุรอ่านและฮะดีสในมัสยิดและก็พยายามที่จะรักษาเรื่องนี้มาเกือบออ15กว่าปีแล้วและได้ أ ث ب ي س و ا ل القرآن ندي أثيباي ق م القرآن ت ع ْ ن َ سورة الفاتحة ب ا ن ت ن سورة التوبة سورة ا ل أ ع ر ا ف ل ا و ل ق د ا ن ا ن ي َ ك ي م ي أ َ ب ي سورة التوبة لسورة النورَ د و ي َ ل ل ه ب ح ا ف ي س م ر َ ب َ ح د ي س ك َ ذ أ َ ي ب َ ا ي ن ن س جامع อุลกลุ่มและผู้มีความอิมัมอับดุลรัจลฮัมบัด้เรื่องทีิบายความหมายะลินซัยบุ خار ีในหนังสือคัทบัตทุ่งหัเรื่องว่าด้วยตัวารแเรื่องการอาบน้าละหมาดโรสซึ่งไม่ได้คาดคิดนะครับว่าสักวันหนึ่งจะมีเหตุการณ์ที่ทาให อยุติการสอนที่มสัสยิดสิ่งที่เคยพบนะครับก็คือการการถูกห้ามมาเหสอนที่มสัสยิดโดยน้ำมือของมนุษย์นี่เจอพี่น้องหลายท่านหลายท่านก็คงก็คงรู้นะครับว่าในสังคมนี้ก็มีด้วยการกลั่นแกล้งด้วยการากีดกั้นกันเองนะครับแต่ ในการที่จะห้ามไม่สอนธิมศิษย์หรื อ, อจะมีอุปสรรคในการที่จะละหมาดในการประกอบศาสนกิจธิมศิษย์เนี่ยตัวผมเองไม่คาดคิดนะครับบนในชีวิตเนี่ยะจะจะเ จ, จ อ, เอด้วยเหตุการณ์ของอโรคระบาดไวรัสโคโรนาซึ่งตัวผมเองแล้วก็นกักอุตสการตลอดจน ทางสำนักตุลาราชมตรีก็รณรงค์ น, นะครับให้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้งดการชุมนุมหนึ่งในนั้ น, นก็คือในการชุมนุมเนี่ยก็คือเรื่องการพบ ป, ปะในในสถานที่ที่มีบรรยายซึ่งทางวท์ชานลเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับ ได้ของดทั้ง2วันเพราะมันจะเป็นการชุมนุมแล้วก็อาจจะเกิดความเสี่ยงส่วนในพื้นที่ต่างๆที่ไม่มีความเสี่ยงนีก็ให้ดำเนินการกิจกรรมาตามวาระนะครับจนกว่าจะมีข้อเตือนจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เ, เพราะทางสาธารณสุขเนี่ยก็จะรู้ดีนะครับว่าอะไรที่มันควรระมัดระวังหรือไม่ บางทีจะไประมัดระวังเกินเหตุหมายถึงว่าระมัดระวังโดยไม่มีเหตุผลนี่มันก็จะเกินเกินไปนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ไม่บังควรเหมือนกันเราไม่ไม่ตื่นตระหนกนะครับแต่เราก็จะต้องมีความตระหนักวิงวอนอุทธอณ์ سبحانه และกษตให้พวกเราทุกคนนะครับให้มนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ด้วยดี แล้วขอต่อนละสุภาพนาวดาให้พวกเราได้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอให้พวกเราได้ได้ปลอดภัยได้ปราศจากการติดเชื้อโรคการติดไวรัสหรือการป่วยทุกประเภททุกชนิดออขอให้พวกเราทุกคนนะครับอยู่ในสภาพที่อละสุภาพนาวดาและพ่อประทศไทยอย่างไรก็ตามนะครับ เราจะดําเนินการเรื่องการออกอากาศมายดีไซลมี่ตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นแปลงเมื่อไรเนี่ยเราก็ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันก่อนนะครับแต่ในมายดีไซลมีสํ <c oughs> าหรับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สิบโมงสิบนาฬิกาถึงสิบเนาฬกาสามสิบนาทีเนี่ยก็จะมาพบกับผมนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ ผมอยากจะเร่งเร่งรัดในการอธิบายความหมายคุรอานี่ให้เสร็จสิ้นสุรตะ อ, อารอฟก่อนเดือนรอมฎอนถ้าเป็นไปได้ เ, เรื่องที่อยากจะทำให้เสร็จนะครับเพราะถ้าเสร็จสุรตะอารอบเนี่ยก็เท่ากับ10ยุษเนี่ยจากการคุตตานี่ได้อธิบายอย่างละเอียด น, นะครับตลอดเกืบบเอบ15ปีแล้วหลังจากนั้นสุรต่างๆนี่ก็จะเป็นสุร ه, สันส้นๆนะครับที่ไม่ไม่ไม่ยาวเพราะสูระอยยาวๆเนี่ยที่อุลามะเขาเรียกเกินซาบุติวเนี่ยเป็นสุร้ยเจ็ดสูรอยยาวเนี่ ย, ท, ย, นน ย, ย, ยที่อยู่ตอนแรกๆสุระแรกๆของอัลกุรอานก็จะเป็นสุร้อที่มีอายะห์หลักร้อยขึ้นไปบางสุร้อยในกันสองอย่างสุร้อยรอบในสองร้อยอายะห์ ال. นะครับทามุลลาห์นะครับแต่ละครั้งเนี่ยที่เราได้เริ่ม ที่ายความหมายอลกุรอานแต่เรสูราเนีอัลลอฮุสซบาหมานะวาดารประทานความเต็มฟิกและก็ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง น, ร, ร, งนา ร, ราบรื่นในสุราที่เราได้ถึงอย9 67, 9ายะ167หรือ68นะครับคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนบีมูซาซึ่งมีบทเรียนมากมายเรื่องราวของท่านนบีมูซาถูกระ บ, บุในกุรอานในหลายสุราทีเดียว لي و ر ة و ي ا و ن ش ي ن س و ر ة الأعراف س و ر ة الشعراء س و ر ة الطهاء و ر ة الكهف كم س و ر ة عن ر ِّ ش َّ ر ن ت ن ب ي موسى كم ت ن ب ي الخضر ل ق ا س و ر ة ٍ أخرى ا ً ل و ر ة ا أ ع ر ا ف م ي ه س ي ك و ن مميزة في قصة ت ن ب ي موسى ความหลากหลายมีเหตุการณ์มากมายและบางทีก็มีรายละเอียดอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราได้อธิบายเรื่องราวของชาวสับตัหรือชาวยิวที่ละเมิดวันสับตัก็คือที่เป็นชาวประมงที่ได้ละเมิดหลักการของศาสนาที่อลัทธิฮานฮาวดะละห้ามเขาไม่ให้ทำงานไม่ให้ทำมาหากิน ในช่วงวันสารแล้วเขาละเมิดจนกระทั่งอัลุเลาะห์านะวะตาลาได้ลงโทษกลุ่มเหล่านั้นนะครับแล้วก็แช่งให้ร่างเขาเนี่ยเปลี่ยนร่างเลยเป็นเป็นลิงนะครับดังที่มีอยู่ในสุรัอัลอารอฟแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการให้บทเรียนเกี่ยวกับ เรื่องราวที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเกือบเกือบทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะหมดเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเรื่องเดียวนะครับที่จะมีระบุหลังจากนี้เนี่ยของท่านนาบีมูซาเรื่องของท่านนาบีมูซาเนี่ยส่วมากเนี่ยหมดหมดไปแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการยกอุทาหรณ์ยกอุทาหรณ์ให้อุทาหรณ์เนี่ยให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้ได้เห็นบทเรียนของการ ของการที่อัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และส่งท่านนบีมูซาพร้อมคำสั่งสอนและการฝ่าฝืนของชาวบนุอิสราเอลต่อท่านนบีมูซาและการลงโทษเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นวงจรที่จะเกิดขึ้นตลอดกาลในโลกดุนยานี้คือ มีหลักการศาสนามีคนเอาหลักการศาสนานี่มานาเสนอแล้วก็มีคนฝ่าฝืนหลักการศาสนาและคนที่ฝ่าฝืนหลักการศาสนานี่ก็จะถูกลงโทษในรูปแบบใดก็ตามเป็นกฎและในคุตตาเนี่ยระบุเรื่องนี้ในในหลาในรูปแบบในรูปแบบที่มันชัดเจนในในในบรรดชนยุคแรกเนี่ยก็คือบรรดานบดเบลและอสซุลที่อัลลอฮ์ส่งส่งมาพร้อมหลักการศาสนานี่มันสั่งสอนมา ให้ความรู้มาให้แนวทางให้ทางนำกับประชาชนาทั้งหลายแล้วบางกลุ่มนี้ก็ฝาฝืนอ ล, ลกมากระลงโทษเราสมัยนักวิชาได้นำเรื่องเรื่องนี้วงวงจรเนี้มาเล่าในคุรุอ่านบ่อยในรูปแบบของการที่ศาสนาของนบีและเราซูลเพราะถือว่าเป็น เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ของการทำหน้าที่ประกาศศัจธรรมของลัทสุภานหัวตาแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากจะเตือนเราเนี่ไม่ให้ฝ่าฝืนนบีรัสูลและในกรณีที่ไม่มีนบีรัสูลแล้วหลัากนนนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามมมีนบีรสูลแล้วเราจะไม่มีอุท้หันนี้เลยละไม่ใช่นะครับการที่อัลลอ์ส่งนบีรูลเนี่ย พร้อมคําสั่งสอนเนี่ยมันก็เหมือนการที่คําสั่งสอนเนี่ยเราสุภานวตาละส่งไปยังมนุษย์ชาติในทุกรูปแบบนี่แหละการที่เราเอาคําสั่งสอนของอุอานเนี่ยไปบอกก็เหมือนเหมือนที่ท่านนาบีสุลล่าเลวซ์แล้วเอาคําสั่งสอนนี่มาบอกเหมือนที่ท่านนาบีมูซานี่มาเตือนประชาชนของเขานะครับการทําหน้าที่เหมือนบรรดานับีลุลเะห์สูลในการนําเสนอเนี่ย มันได้ผลเหมือนกันมีค่าเหมือนกันใช่ไหนเลยอัลลอฮฺสุฮาห์นาวตาแหละถือว่าบรรดาผู้รู้เนี่ยก็เป็นผู้รับมรดกของบรรดาอับดุลราะสูลนอภิธรรมอวราตุลอัลบียาบรรดาผู้รู้ที่รับมรดกจากบรรดาอับดุลราะสูลก็เนื่องจากว่าเขาได้เอาคําสั่งสอนที่นับดุลราะสูลสอนมาแล้วก็เขาไปสอนต่อ อาจจะจะมีคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นอุลมามะฉันไม่ได้เป็นผู้รู้อย่างนั้นฉันก็ถ่ายทอด <c oughs> มรดกของใ น, บ, นบีราซูลไม่ได้การนั้นหรือก็ก็ไม่เชิงเพราะการถ่ายทอดเนี่ยเงื่อนไขที่สมบูรณ์นะต้องเป็นอุลมามะ ถ, ถ้าจะเอาแบบสมบูรณ์นะต้องเป็นอุลมามะแต่ถ้าแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยพอใช้พอใช้ได้นะก็คือ การที่เราเข้าใจหลักการศาสนาแล้วก็รู้หลักการศาสนาอย่างดีเท่าใดก็ตามนะครับเราก็เอาหลักการศาสนาเนี่ยนำไปนำเสนอนี่นะครับที่ท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิซลลัมได้กล่าวว่าในที่บรรดุดูบคเบลลิ์อัลนีโวลออาเยบลลิอัลนิโวลออาเยต้องทาหน้าที่ในการเผยแพร่ในการนาเสนอแล้วพราเหตุการณ์ราะเพราเหตุผลนี้แหละ หลังจากที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาเล่าเรื่องชาวซับโตเนี่ยก็คือซับโตนี่คือกซับนีคือวนันเสาร์ไงที่เขาละเมิดวันเสาร์ละเมิดวันที่อัลลอฮ์ห้ามแล้วก็มีคนมาเตือนเตือนในเรื่องละเมิดอัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาล้ก็ให้คนที่เตือนกลุ่มที่ได้เตือนเนี่ยได้ปลอดภัยจากการลงโทษและกลุ่มที่ไม่ได้เตือนหรอไม่ได้พูดถึง เราก็ได้อธิบายแล้วว่าทัศนาที่ถูกต้องเนี่ยว่าอัลลอฮ์ก็ให้อภัยเหมือนกันแต่กลุ่มที่แะเมิดเนี่ยจะถูกลงโทษด้วยเหตุการณ์เนี้ยอัลลอฮ์สุลฮานาวดาาจะยกอุทาหรหอนหลังจากเหตุการณ์เนี้ยในบรรดอิสรามเนี่ก็จะมีกลุ่มที่ทำหน้าที่กระจายไปแล้วทั่วโลกและก็ทำหน้าที่ในการที่จะดารงความดีนั่นหมายรวมว่า เราสุภาเนวดาและส่งเสริมให้เราทาเหมือนคนที่ได้ทาหน้าที่ตักเตือนชาวสับโคนที่ทาหน้าที่ตักเตือนกลุ่มชนที่ละมืดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องกาชับกันในสังคมทุกสังคมนะครับเรสุภานวดาละได้กล่าว Surat Al i m r a อ و ม ا و ل ْ ت َ ك ُ م ُْุ م َّ و ั ا ل ْ ت َ ك ُ م ْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى ا ในหมู่พวกท่านเนี่ยก็จะต้องมีอมมุ mmah จะต้องมีส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งอีดูนะอิลลัคไยเรียกร้องสู้คุ้นงานความดีเวยอมรู้น่ะเป็นมารู้เวยนนว์เหานมีมรปรัปรากมความชั่วการทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันมันคล้ายๆอะไรอะอย่างที่เราเห็นกันนะครับในเรื่องโรคระบาดนี่นะมันคล้ายๆภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรา ร่างกายของประชาชาเนี่ยต้องมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของร่างกายประชาชานี่คื อ, อคือการที่จะมีเมล็ดเลือดขาวเหมือนที่เรามีเมล็ดเลือดขาวที่มันสามารถต้านไวรัสต้านเชื้อโรคแปลกปลอมที่มันเข้าสู่ร่างกายพอไวรัสพอเชื้อโรคมันเข้าร่างกายเนี่ยภูมิคุ้มกันเนี่ยมันเป็นระบบเนี่ย มีระบบเตือนด้วยนะมันจะเตือนเลยอะ่ะว่า ม, มีมีอะไรแปลกบอมเข้ามามีไวรัสเข้ามามีผมตะกี้เพิ่งอ่านอ่านบทความสัมภาษณ์ของหมอเชี่ยวชาญด้านไวรัสเนี่เป็นเป็นมุสลิมนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ข่าวดีนะเขาบอกว่าส่วนมากที่ติดไวรัสโครโรนาเนี่ยแล้วก็หายไปเนี่ยหายเองหายเอง เบอกว่าประมาณเจ็ดหื่นคนเนี่ยที่ที่ประเทศจีนนะเจ็ด0ืนคนเนี่ยที่ติดเชื้อโรคระายเองไม่ไดไ้ไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรเลยแค่ประคองประคองดูเอ่อเรื่องอาการต่างๆไม่ได้กินยาอะไรพิเศษก็อาจจะกินอะไรยาเล็กน้อยย า, ยาแก่ไออะไรเล็กน้อยอะ่ะแต่วัรัสนี่มันหายเองภูมิคุ้มกันของร่างกายของมนุษย์เนี่ย มีศักยภาพแล้วก็ทางผู้รู้ทางไวรัสเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นข่าวดีว่าถึงวันนี้นะครับจากการติดตามพฤติกรรมของไวรัสโครโรนาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไวรัสที่ยังไม่ได้แปลงพันุ์ยังไม่ได้แปลงพันุ์ของมันเพราะถ้าว่ามันมีพฤติกรรมแปลงพันธุ์ของมันเนี่ยการที่จะผลิต วัคซีนเนี่ยผลิตยาฆ่า่าไวรัสฆ่าเชื้อนี่มันจะยากแต่การค้นหาการทดลองยาเนี่ยถ้าไวรัสซีมันยังคงตัวนี่ก็แสดงว่ามีโอกาสสูงนะครับที่จะได้มีวัคซีนจะได้มียาที่จะฆ่าเชื้อร่างกายของเราเนีนะครับถ้ามีไวรัสมีเชื้อโรคที่มันบุกรุก มาทำลายอาวัยวะทั้งหลายไวรัสโคโรนานี่มันจะบุกระบบหายใจด้านล่างก็คือปอดบอก็ไม่เหมือนไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั่วไปนี่มันก็จะบุกบุกรูประบบหายใจด้านบนด้านบนเนี่ยก็คือหลอดลมอะไรพวกเนียแต่โคโรนาเนี่ยมันจะเข้าลึกไปถึงข้างล่างเลยก็คือไปเอาไปเล่นงานปอดก่อน มันจะเข้าไปถึงไหนก็ตามนะครับระบบเตือนของร่างกายของเราเนี่ยที่จะเตือนในสิ่งแปลกปลอมที่มันแปดปลอมที่มันเข้ามาเนี่ยมันเป็นภูมิคุ้มกันที่ทุกคนเย็บที่ยมที่เอามาสร้างไว้และนี่แหละครับที่ทาให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเนี่ยหกสิจสิบปสิบปีแต่วัยรัสนที่มันอยู่รเบๆบ ชีวิตของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพันเป็นแสนชนิดพี่น้องอี่คิดว่าเราเออเราอยู่อย่างนี้นะเราไม่มีไม่ไดีมไวรัสมีนอกจากโคโรนานี่โอ้โหนี่เพียบเลยโคโรนนี่ที่มันน่ากลัวนี่เพราะเพราะมันไม่มียาและมันติดติดง่ายเออมันก็เลยดูน่ากลัวแล้วมันระบาดเยอะมันก็เลยดูน่ากลัวแต่ที่จริงเนี่ยผูออ้รู้ด้านไวรัสเนี่ยเขาบอกว่า มันมีเรื่องอื่นเราชินแล้ะอย่างเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้หวัดใหญ่เออะไรพันใหม่เนี่ยผู้เสียชีวิตทั้งปีเนี่ยตลอดปีนะครับทั่วโลกในดามสถิติของการระบาดโรคเนี่ยก็สามแสนกว่าคนที่เสียชีวิต <c oughs> ทุกปีในไข้หวัดใหญ่พันพันต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันมีเอะแต่คนที่หายเน่ยคนที่ไม่ไดีคนที่เจอแล้วก็ไม่ไดม ไม่ไม่ได้เป็นหรือไม่ได้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยเนี่ยก็เพราะระบบภูมิระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยแข็งแรงก็อุปมายระบบภูมิคุ้มกันของสังคมคนนี่เอาคำสั่งสอนไปตักเตือนตักเตือนทำความดีซะเรื่องความชั่วอย่าทำซะ มันก็เป็นหน้าที่เดียวเหมือนเม็ดเลือดขาวอะที่มันจะเตือนให้เราให้ให้เราเนี่ยไปจัดการเรื่องเรื่องอะไรที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็ขยายมันอะไรที่ทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอนเนี่ยก็จัดการมันในสังคมอะไรที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความแข็งแกร่งเรื่องการทำความดีเรื่องศีลธรรม เราสั่งสอนเราเผยแพร่นะเราสนับสนุนรณรงค์สิ่งที่ทำให้สังคมนี่อ่อนแอเรื่องความชั่วความตกต่าต่างๆเนี่ยเราก็ปราบปรามเราก็สั่งสอนให้ลดลงเราห้ามปรามมัน่ะมันก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงสังคมก็อยู่ได้นาน สังคมก็มีสุขภาพสุขภาพของสังคมนี่คือการที่สังคมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สุดโทรมสังคมเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่นี่นะครับอัลลซุลฮานวะดาะจึงกล่าวถึงบนุอิสราเอลว่าในสุรตะลารบนะครับอายาหนึ้อย قاعد ع و ذ ب الله من الشيطان الرجيم، وقد تعناهم في الأرض أمما، وقد تعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلعونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لا رأي فوق ياك فوقها واق إن كلم كلم نبندن ياك. บรรุอิสราเอลภายหลังที่เขาได้ไปอยู่ในแผ่นดินที่จำเริญก็คือที่ปาเลสไตน์เนี่ยแล้วก็ส่วนก็ฝ่าฝืนส่วนก็ส่วนก็ฝ่ฟาฝื้นหลักการส่วนก็ปฏิบัติดํารงตามหลักการแล้วก็ทดลองทดสอบบรรุอิสราเอลในบททสอบที่ ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของเขาเนี่ยก็คือการที่มีกลุ่มชนมามายึดครองแผ่นดินของเขาอย่างที่เคยบอกกับพี่น้องก็คื อ, ก, คอก็คืออาณาจักรเปอร์เซียโดยโดยเฉพาะอาณาจักรเปอร์เซียในในช่วงโบราณ น, นี่ก็คืออาณาจักรบาบิโลนกษัตริย์ชื่อนบูคัสนสัสซอนเนี่ยได้ยกทัพไปตีปาเลสไตน์แล้วก็อาณาจักรของยิว แล้วก็เนรเทศยิวเนรเทศยิวไปทั่วโลกเอ่อจากการที่เขามีแผ่นดินของเขาเนี่ยเนรเทศการที่ยิวเนี่ยถูกเนรเทศในครั้งนั้นน่ะนะครับชาวยิวส่วนมากโดยเฉพาะที่คล่งคัดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาจะเชื่อว่านี่คือบททดสอบที่ใหญ่หลวงที่สุด แล้วเป็นบททดสอบที่อัลลอฮฺมะฮ์นาวะตะละกำหนดให้ชาวยูเน่ได้เป็นแบบนั้นตลอดกาลก็คือให้เขากระจายไปอยู่ในทุกทุกส่วนทุกซอกทุกมุมในโลกใหมนี้ไม่ให้กลับมารวมตัวกันยูที่เครื่องคัดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาบอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งการที่กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือสัญญาณ ف إ ذ ا ج ا ء و ع د ا ل آ خ ر ة ل ي س و ر ه ك م و ي د خ ل ُ م ك م ا د خ ل و ا و ل ي ك ب ر و ا ع ذ ا ب ا ر ب ه و ن ع ه ت م ع د ن ا نَيْ ن َ ي ا نَيْ ن ا ل ا กลับมาอีกครั้งหนึ่งรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งก็ถ้าจะว่าด้วยการอ ด, ดีตยิ่งนบีคุมลฟีฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งและการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นการรวมตัวเพื่อเกิดความเหยนาที่ยิ่งใหญ่ยูที่เคลื่อนขั้นเรืศาสนานี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีจึงจึงมียูที่เคลื่อนขั้ศาสนานี่ที่อยู่ในประเทศต่ตางๆโดยเฉพาะประเทศอเมริกานะครับ เขาจะถือว่าการรวมตัวของอยิวที่ประเทศปาเลสไตน์และการที่มาเกาะประเทศขึ้นมานี่นั่นถือว่าเป็นเรื่องบาปและการกาะประเทศอิสราเอลเนี่ยเ ป, เป็นเรื่องบาปสําหรับเขาและเขาไม่ยอมที่จะอพยพไปอยู่ที่ป า, ลาเลสไตน์เขาบอกว่านี่คือแผ่นดินของชาวป า, ลาเลสไตน์เราไม่มีสิทธิ์หน้าที่ของเราเนี่ยชาวยิวต้องกระจายไปอยู่ทั่วโลกเพราะอ AH ัลลอฮ์กำหนดแบบนั้น คำตรงไหนนี่ไงครับในกุณอ่านอัลลอฮ์ก็พูดนะครับที่แปลนี้ว่ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เขากําลังบอกว่าก็ตา่อแนหุมฟิลอะลุิอุมมาและเราได้แยกพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆในแผ่นดินคือกระจายไปอยู่ทั่วโลกมินหุมมุสลิหูนจากพวกเขานั้นมีคนดีว่ามินหุมดูนะได้ลและจากพวกเขานั้นมีอื่นจากนั้นก็คืออื่นที่ไม่ดี ว่าเราหน้า هم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون แล้วเราได้ทดสอบพวกเขาด้วยบรรดาสิ่งที่ดีและบรรดาสิ่งที่ชั่วเพื่อพวกเขาจะได้กลับมาจะได้กลับเตาบัตรตัวแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวพฤติกรรมของชาวยูเนลสุภาโนตานะก็ได้เล่าเรื่องของชาวยูเนี่ยอันเป็นนิสัยของของยูไพร์หลังที่ ط خ و َّ ع َ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ا ل ْ و َ ر ِ ث ا ل ك ت ا ب ي أ خ ذ و ن َ ع ر ض ه ذ ا ا ل أ د ن ى و ي ق و ل و ن س ي غ ف ر ل ن ا و َ إ ن ي أ ت ي ه م ع ر ض م ث ل ه ي أ خ ذ و ه أ ل م ي ؤ خ ذ ع ل ي ه م م ث ا ق ُ ا ل ك ت ا ب أ َ ل ا ي ق و ل و ا ع ل ى ا ل ل ه إ ل ا ا ل ح ق و د ر س و ا م ا ف ي ه والدار الآخرة خير للذين ي ت ق و ى و فلا تعقلون ใ น, นอายะที่แปดมากนี่ที่เล่าถึงเรื่องนิสัยสันดานของชาวอยู่ฝั่งขลับมิบ้างดีมขลุแล้วได้มีกลุ่มชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาคือหลังจากกลุ่มแรกนะครับที่เขารวมตัวกันอยู่ที่แผ่นดินแล้วก็ถูกเนรเทศไปอยู่ทุกที่เนะี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งสืบแทนมาเนี่ย จะเป็นกลุ่มที่แสดงถึงพฤติกรรมอันเลวร้ายของชาวยูพฤติกรรมนี้มันก็กลายเป็น เ, เรียกว่ า, าสันดานประจำชาติของเขานะ่จนกระทั่งเชื้อชาติทั้งหลายเนี่ยเขาก็รู้นิสัยยูด้วยสันดานนี้สันดานคนที่ชอบตังค์คนที่กระหายากระหายที่จะได้เอาเอาแต่ได้ ได้อะไรก็คือได้ตังเงินแหละชอบชอบชอบทองคำชอบสตังชอบทรัพย์สิสนมันเป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็เราก็เห็นแม้กระทั่งในด้านวรรณคดีเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องนี้ทั้งนั้นที่ไทยนีย่กับวันธรรมของยูเนี่ยมันห่างไกลกันมากนะครับแต่ก็เราได้รับมรดกจากวรรณคดีของออของฝรั่งนี่แล้วก็ได้รับรู้ ซึ่งยิวที่ไปอยู่ในประเทศฝรั่งนี่ก็มีเยอะมากพฤติกรรมของเขาของยิวเนี่ยแต่และประเทศเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดเลยนะครับเรื่องอะไรครับก็คือเรื่องเรื่องช่วบตังหรือชอบทรัพย์สิ น, เ, นเป็นเรื่องแปลกนะครับแล้วก็บอกถึงสันดานนี้นะครับในอายาเนี่ยได้มีกลุ่มชั่วกลุ่มหนึ่งสืบแทนหลังจากพวกเขาวารุษุลคิตาบะ ซึ่งได้รับช่วงคำพีไว้คือเขาไม่ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยแยกตัวแล้วเขาลืมคำพีเขาจะไม่นึกถึงคำสั่งสอนเลยไมมนะเขาก็ยังยังนึกถึงมรดกเขายังนึกถึงคำพีเตารอของเขายิวไปไหนเนี่ยเขาก็ไม่ลืมมรดกไม่ลืมมรดกด้านศาสนาของเขาเนี่ยเขาเขาเขายึดหมายถึงว่าเขายึดถือศาสนาของเขามากว่าดีสุลกิตาบะแต่ในขณะที่เขาได้มรดกคำภีแล้วเนี่ย ได้รับช่วงคัมภีไปแล้วเนี่ยแต่เขามีนิสัยที่ที่ที่เลวร้ายโดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กเล็ ก, ลกน้อยนยแห่งโลกนี้ย่าขุูนออะ่ะรบนอเดนยอมที่จะเอาสิ่งเล็กเล็กน้อยๆยแห่งโลกนี้สิ่งเล็กเล็กน้อยๆยแห่งโลกนี้คืออะไรก็คือสะดุ้งสะดังทรัพย์สินนั่นะ ก็คือเรื่องเงินเรื่องทองนี่แหละเพื่ออะไรครับเล่ากล่าวว่ามันจะถูกอภัยให้แก่เรา้หมายถึงว่าเอายอมที่จะเอาทรัพย์สินแล้วมาอะไรแล้วก็ขายมรดกก็คือคำภีบิดเบือนคำภีบ้างบิดเบือนหลักการศาสนาบ้างทำความชั่วบ้างเป็นเรื่องเรื่องแปลกนะครับว่าใครที่ติดตาม ติดตามข่าวสารสถานการณ์ในโลกนี้เนี่ยก็จะพบบทบาทของประเทศอิสราเอลและชาวยิวทั่วโลกเรื่องนี้ไม่ใช่ผมเป็นคนพูดนะนักบูชาการนักประวัติศาสตร์คนที่เขาได้เขียนประวัติศาสตร์แล้วก็แล้วก็รู้บทบาทของอยิวตลอดตลอดกาลพวก็เรื่องอบรยมุขทั้งหลายเรื่องการพนัน เรื่องดอกเบีย้ยเรื่องสิ่งลามุกอนาจารย์ยเช่นเดี๋ยวนี้การการค้าหนังลามกอนาจาร์ทั้งหลายเนี่ยเรื่องเรื่องท่องเที่ยวที่ขึ้นอยู่กับเรื่องลามกอนาจาร์ทั้งหลายาการพนันบ่นคาสิโนอะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายเนี่ย จะพบว่าส่วนมากนะครับเบื้องหลังเจ้าของธุรกิจเหล่านี้เนี่ยส่วนมากนะเป็นยออูมันเป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องแปลกว่าเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติเดียวนะประชากรยูทั่วโลกนี่นะครับมีอยู่ไม่ไม่น่าจะถึงสิบห้าล้านสิบห้ายี่สิล้าน แต่บอกด็ด้วยเชื้อชาตินี้นี่น่ยอะไรที่มันชั่วร้ายที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันได้อยู่เบื้องหลังหมดเลยไครไี่อยู่เบื้องหลังดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่มันสร้างความหายนะกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจในโลกเนี้ยเรื่องดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่ทําให้มีครอบครัวที่ไหนในโลกนี้เนี่ยที่ไม่ไม่เจอปัญหาจากเรื่องจากปัญหาดอกเบีย้ยเรื่องค่าประเวณี ค้าสโสเภนีส่วนมากในที่อยู่เบื้องหลังนี่ก็คือค้าอาวุธแต่นี่ อ, อย่างหนึง่งสาเหตุที่ทําให้เกิดสงครามให้เกิดทะเลาะเ บ, บาแวงให้เกิดการเข็นฆ่าเราเอามาพูดดีกันใครที่อยู่เบื้องหลังค้าอาวุธในโลกใบนี้ยิวเหมือนกันธุรกิจหนังลาโมกอนาจารย์ ให้ดิวเบื้องหลังส่วนมากยิวอีกแล้วคือให้มีเชื้อชาติอื่นบ้างดิก็ไม่มีอ่ะก็ไม่มีอ่ะแต่ว่ายิวในประมาณเกือบเาิปอนอยู่เบื้องหลังธุรกิจอบรยมุกเหล่านี้ทั้งหมดเรื่องการพา น, านันเรื่องบ่อนคาสิโนเรื่องเรื่องคาสิพนเรื่องอยิวทั้งนั้นนะซึ่งในคำวีตอวระ คำสั่งสอของพระเจ้าในการที่จะห้ามสิ่งเหล่านี้มันก็มีชัดเจนแต่อยู่ที่บิดเบือนอยู่ที่ยอมเอาเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกว่าเอาสิ่งเล็กน้อยเอาสิ่งเล็กเล็กน้อยนแห่งโลกนี้เนี่ยเอามาแทนอะไรอ่ะแทนที่จะยืนหยัดแทนที่จะทำหน้าที่เหมือนกลุ่มคนเดียวล้อยกย่องนี่ก็คือก็คือคนที่ปราบปรามชาวซับโตงไงแต่ที่ห้ามไม่ให้ละเมิดเนี่ย กูมีอะไรไที่รอดแล้วรับมาก็ทำเหมือนเขาดินั่นะคือพวกซอยเลีงคนนี้การยานชนที่อัลลอยกย่องเขาไม่ทำแบบนี้เขายอมทำอะไรอ่ะเอาสิ่งเล็กๆ็กน้อยๆของโลกนี้ทรัพย์สินเล็กเล็ ก, ลกน้อยๆยังไงแสนล้านเป็นล้านล้านเนี่ยมันเล็กเลกเล็ ก, ลกน้อยถึงจะเป็นทรัพย์สินของโลกนี้ทั้งหมดนี่แต่ใครครองแล้วนะก็ถือว่าเล็กน้อยเทียบแล้วกับ สับสิ่งทั้งหลายนี่ที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ของเราสุภาพนาวดาลันี่ถือว่าเล็กน้อยเรายอมที่จะเอาทรัพย์สินเล็กน้อยกำไรเล็กน้อยแล้วก็ขายศาสนาขายอุดมการเราจะไม่ไม่ค่อยแปลกใจนะคนที่อย่างเราเนี่ยเรารู้ว่าอะไรบาปอะไรไม่บาป รู้นะว่าอะไรบาปนะแต่เราก็ทําบาปมันดูไม่แปลกเพราะมันเป็นพฤติกรรมของคนทั่วโดกันรู้อะไรที่มันบาปแล้วก็ทำแบบแบบแต่การนี่รู้ว่ามันบาปแล้วยังเป็นเป็นเจ้าของธุรกิจบาปไม่ธรรมดาแล้วนะเป็นเจ้าของธุรกิจบาปเป็นคนที่ปกป้องธุรกิจบาปเป็นคนที่ เผยแร่ธุรกิจบาปอบายมุกทั้งหลายเนี่ยลงทุนเพื่อให้ธุรกิจนี้ขยายบ่อนคาสิโนที่อเมริกาไม่พอไปเปิดทั่วโลกหนังลามุกอนาจาร์นที่นึงไม่พอเนี่ยไปกระจายไปอยู่ทั่วโลกคาสเนี้เนี่ยนที่เดียวนี่ยไปทั่วโลกและที่นี้ก็จะพบยู อยู่เบื้องหลังธุรกิจเหล่านี้อันนี้ในะที่มันไม่ ป, ก, มปกติแหละคือตัวเองอะนะตัวเองอเนะี่ยไม่ได้ทําอย่างเดียวนะแล้วบางทีเนี่ยก็ไม่ได้ทําด้วยนะไม่ได้ทําความชั่วนะแต่ร่นรองให้คนอื่นทําอันนี้เนะนี่ยเรื่องเงียบแปลกคือเราเนะี่ยรู้บาปแล้วก็ทําบาปแต่ก็กลับเนื้อกลับตัวบ้างจะช้าจะเร็วจะแล้วแต่แต่แต มิกลา้ามีบางอาจที่จะเป็นคนที่สนับสนุนความชั่วเหล่านั้นะเราจะเห็นได้ว่าส่วนมากคนส่วนมากนี่เสพยาแต่ไม่ใชคนส่วนมากที่ขายยาแต่คนที่ขายยานี่เนี่ยคือคนที่ผมบอกว่าจิตใจเขาเนี่ยอำมหิตขนาดไหนแล้วบางทีเนี่ตัวตัวคนที่ขายยานี่นะคอคนที่ไม่ได้ติดยา พราะอะไรพรรู้ว่ายาเนี่มันอันตรายขนาดนั้นยาเสพติดน่ะมันอันตรายแต่ยอมขายยานี่เพราะอยากได้อะไรนะอ่าเนี่ยเล็กๆ็ ก, กน้อยๆยของโลก ส, สินทรัพย์สินอยากได้กําไรอยากได้มีไรายได้ยิวนี่ต้องการแบบนี้ยูต้องการสะสมสตังชอบสตังชอบสิ่งเล็กเล็กน้อยน้อยของโลกดุนยานี้ยเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อได้สิ่งเล็ ก, ลกๆ็น้อยๆยของโลกดุนยานี้ เราจึงมาบอกโดยที่พวกเขาค่อละกลุ่มที่มาที่หลังเนี่ยโดยที่พวกเขารับเอาสิ่งเล็กเล็กน้กกอยๆแห่งโลกนี้เล็กเล่าว่ามาาันจะถูกไห้มาาันจะถูกมันจะถูกอภัยให้แก่เราก็ามายถึงว่าถึงสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเล็กน้อยนิดเดียวเดี๋ยวเราก็จะรับอภั ย, ยโทษจากเราสายองรุล่ะนะ เดี๋ยวก็จะรับอภัยโทษจากอารมณ์สัยไปหน้านิดหน่อยหน้านิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวก็ให้อภัยโทษอาทำนิดหนึ่งแล้วจะเลิกไหมไม่ว่าไอ้ทีมารดมมิสูยาคูดูและหากมีสิ่งเล็กๆ เ, เ, เล็กน้อยๆยเยี่ยงเดียวกันนั้นมายังพวกเขาพวกเขาก็รับเอามันอีกอาไม่เลิก และนี่คือสัญญาณที่อัลลอฮฺสุบไหนะวะด า, าเล่าตรงนี้เนี่ยเป็นอนุอะอัลลอฮฺสุบไหนะวะดาละประนามสัญญาณนี้ว่ามันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสัญญาณที่มันเลวร้ายการที่เราทําความชั่วแล้วก็รู้สึกว่าเออความชั่วนี้เดี๋ยวเราก็รับอภัยโทษเนี่ยมันอาจจะพอรับได้แต่ทําความชั่วแล้วก็เลิกสิกับเนื้อกับตัวสิไม่ S <S บรรดิสุอสีนี่เปลนเดี๋ยวก็ให้ดยกดียกรับอาเปรทุแต่พร้อมมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนหลักการศาสนากับความช่วอีกทีนึง่งก็เอาอีกขายคำพีของเขาขายหลักการขายอุดมการณ์อีกทีหนึง่งก็เอาอีกซึ่งมันจะเป็นจิตใจเป็นเป็นนิสยัยเป็นสันดานที่ ที่เขาจะยากนะว่าจะมีใครที่กล้าเป็นคนแบบนี้ใครที่มีใจอำมหิตโหดร้ายความชั่วตัวเองก็ไม่ทนะําแต่อยากจะให้คนคนทั่วโลกนี่ได้ทำปืนเนี่ยตัวเองเนะี่ยไม่ใชนะ่แต่ขายคนเนี่ยซื้อปือนทั่วโลกจะได้ฆ่ากันนะ่ะมันใจคนแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหน ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب يا الله سبحانه وتعالى لما دبت ونبأ ولم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ا, أ, ا, الك أ ل ل ا يقولوا علي, على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ميثوك أو ك و ك هودقرس ซึ่งข้อสัญญาแห่งคำพีว่าพวกเขาจะไม่กล่าวพาดพิงเกี่ยวกับอลลอ นอกจากความจริงเท่านั้นก็หมายถึงว่ามีสัญญาในคำบีเตอร์รแล้วก็พวกเขาเนี่ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่กล่าวถึงอัลลอฮ์นอกจากว่าเรื่องจริงถูกถามว่าอันนี้มันบาปหรือไม่บาปก็ต้องบอกว่าบาปอันนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกเขาบอกว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาต้องพูดความจริงอัลลอฮ์รับสัญญากับเขาแล้วว่าเขาจะทําแบบนั้นไม่ใช่หรือเขามีสัญญากับอัลลอฮ์ว่าเขาต้องประกาศความจริงและสัจธรรมไม่ใช่หรือแต่ทําไมเขาบิดพรียว เท่ากับอ ah ah ัลลอฮฺทรงอวยและตรายุบต ni ัวอย่างนี ah ash ash in, Allah, o, ool, ้เป็นอุทาหรณ์ให้มนุษยชาติทั้งหลายอาหรูกีแตามโดยเฉพาะยูเนี่ยที่เขามีสัญญาเรื่องนี้เนี่ยแต่เขาบิดพลิ้วในเรื่องสัญญานี้แทนที่จะเป็นประชาชาติที่ประเสริฐยิ่งที่รับคำพิจากอัลลอฮฺนบีอซูลมาเยะแยะเนียอัลลอฮ์ให้เกียรติเขาแล้วก็ยกย่องเขาเนี่ยเขากลายหรือกลับเป็นประชาชาติที่ขายศาสนา และเป็นประชาชาติและเป็นประชาชาติต้นเหตุของความชั่วทั้งหลายเราสุภาโนวดาละริงประนามวดรสูมาฟีและพวกเขาก็ได้ศึกษาสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์นั้นแล้วเราได้รับสัญญาแล้วและก็ศึกษาแล้วเรียนรู้แล้วสั่งสอนแล้วแต่ทำไมเขาบิดพริ้วละ่ะ วัดดาร์อัลอาต خير ุ่อละดีเนทตัควูน่าฟลาตัก ล, ตลูนลีบะม์นักแห่งปรโลกนั้นคือสิ่งที่ดียิ่งสําหรับบรรดาผู้เทียมเกรงอาเฟลตลักฮลพวกเจ้าไม่ใช่ปัญญาชนดอกหรือนี่เป็นขอ้ขอเตือนเลาทิ้งท้ายในอายะเนี่ยเตือนคนที่อาจจะตกในสภาพเหมือนอยิวก็คือรู้และการศาสนาอย่างพวกเรา ุสลิมรู้ละการศาสนาและอัลลมีสัญญากับเราว่าเราจะต้องพูดความจริงเราจะต้องพูดความดีแลวก็เรียกร้องสู่ความดีแล้วก็ปราบปรามความชั่วนี่คือสัญญาที่อัลลอ์เอาที่อัลลอ์ได้ยิดไว้กับประชาชาิอิสลามสิ่ง น, นี้ดีที่สุดที่จะให้พวกเราเนี่ยไม่บิดพริ้วเหมือนชาวยู ไม่มีพติกรรมเหมือนช่าวิวคือรัมลึกถึงวันอัคราและดาลอัคราทุกข์ خير ุ่นที่นินจะคุณยิ่งเกลียมหายิ่งลียมหนึกถึงวันเกียมหานึกถึงวันเปรยโลกนึกถึงการสอบสวนจะเกิดความสำนึกพอเกิดความสำนึกทบทวนพอทบทวน หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงสามารถมามาตั้งหลักตั้งหลักกับคุณธรรมหลักแห่งคุณธรรมว่าเราไม่เอานะเรื่องนี้เราไม่เอานะและอะไรที่มันเป็นความชั่วเนี่ยเราจะต้องหลีกเลี่ยงเราต้องปราบปรามนะอุลมาจึบอกว่าข้อเตือนที่ดีที่สุดสำหรับปัญญาชน เอกวฟลาจากไอร่นพวกเจ้าพวกพวกเจ้าไม่ใช่ปัญญาชนดอกกหรี่ข้อดีนี้สหรับปัญญาชนเนี่ยจะได้เตือนสติตัวเองในโลกนี้เนี่ยทอะไรนึกถึงวันเกียรมดดารุลอาคราุขัยลิลลนะตะนึกถึงวันเกียรมรำลึกถึงวันปรนุอะไรจะเกิดขึ้นในวันปรนก การลงโทุ่นเที่ยวรถเตรียมสําหรับคนที่ผิดพผิวการตอบแทนอันงดงามที่ยวรถเตรียมไว้สาหรับคนที่อินยัตทําความดีเรียกร้องสู่ความดีนึกถึงวันปรโลกถึงสวรรค์นึกถึงนรกนึกถึงสภาพของมนุษยชาติในวันปรโลกในวันเกียรมะล้วนเป็นบทเรียนที่ดีเยี่ยมสําหรับคนที่เรียนเรืองอัลลอฮฺสุบฮานาห์ดาละที่จะให้เขาเนี่ย สามารถดึงตัวออกจากความเสี่ยงแห่งความชั่วทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาเตือนตัวเองเตือนตัวเองวันปรโนใฮิต่างๆนีท่านนบีสลลัลลอฮุอะลัยฮะลมก็จะเอาเรื่องวันเกียมาเนี่ยเป็นข้อตืแยงันแค่ยอุมินุบิลลาฮิวยะยูมิลอาอัลขวัอมินุบิลลาฮิวะยมิลอา แล้วเราจะพบว่าสุรมาเกียเนี่ยส่วนมากในพูดถึงเรื่องวันเกียมะทําไมอ่ะเพราะวันเกียมะนี่มีอิทธิพลใหญ่หลวงในการที่จะเตือนหัวใจในการที่จะเตือนสติทําให้เราสามารถตื่นตัวได้ง่ายได้เร็วนึกถึงวันเกียมะฮ้ยวันเกียมะนี่มันเป็นชีวิตที่นิรันดร์จริงๆนะ โลกนี้เนี่ยมันแค่แขวชั่วคราวนิดเดียว60สิสิบปีเราจะมาจะมาจะมาสนุกสนานกันอะไรกันแค่ไหนแต่วันเกียมันเนี่ยมันจะยาวนานแค่ไหนเนี่ยคนที่มีสติคิดนิดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วก็จะรีบกลับเนื้อกับตัวเรียบรีบเตือนสติและสิ่งที่จะช่วยให้เราเตือนสติ แล้วก็มีอุท่าหอนมีบทเรียนนอกจากการนำลึกถึงวันพรโลกนั้นอัลลอฮ์ ب ح ب ن ن ا ن ه และก็ละว่าในอายะตีรจิส ا ل ذ ي و. ي, ي ن ي ت م س ّ ي ك و ل ك ت ا و أ ق ا م و ا ا ل ا ة إ ن ا لا نضيع أ ج المصلحين และบรรดาบู้ที่ยึดถือคัมภีรนี่ต่างจากยูยูเนอัลลอฮ์ก็เอาสัญญาที่อยู่ในคัมภีร์ในมตุบตุนั่นแะแต่เขาได้ไม่ได้ยึดถ อยู่ในมืออยู่ในมือเนี่ยคำพีเนี่ยอยู่ในมือแต่เขาไม่ได้ยึดถือปฏิบัติไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติแต่ละบอกว่าเหลือที่ในุมมสซิกูนบิลคิตาบและบรรดาผู้ที่ยึดถือคัมภีรสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าเราเนี่ยยึดถือในคำภี์จริงนะว่าอักามุสซัลลและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดทําไมอะเพราะในคำพีเนี่ยพูดถึงเรื่องละหมาดเนี่ยนับไม่ท่วนเลย คนที่รักษาละหมาดนี่นะครับนั่นคือสัญญาณว่าคนคนนั้นนะ่ะยึดถือในคำพี่ยึดถือในบทบัญญัติยึดถือในคําสั่งสอนเรื่องละหมาดนิสี่แสดงว่าเป็นเสาหลักยิวศาสนา ย, ยิเนี่ยอัลลอฮ์บัญญัติให้ละหมาดวันละหนึ่งครั้งแะนั้นตอนที้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลแลลละซึ่ลามคืนไปที่อุมมรอาราจ ล้วรับบัญชาจากอัลลอฮ์ให้ประชาชาติอิสลามละมาบาห้าสิบกกตูแล้วก็ลงมายังฝากฟ้าที่สหรือที่ที่หจะไม่ได้แล้วก็เจอท่านนาบีมูซาท่านนาบีมูซาโอ้ห้าสิบวกตูประชาชาติของท่านเนี่ยคงไม่ไหวมึ่งนี่ประชาชาติของฉันนี่ไม่ไวหวหรอกขึ้นไปขออุทธรต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้ลดหน่อยก็ลดลดอัลลอฮ์ก็ลด นบีลงมาเจอท่านนบีมูซานบีมูซาบอกว่าให้ลดลดดิประชาชาติของฉันเนี่ยละหมาดวักตเดียวยังไม่ทํากันเลยนบีมูซาประชาชาติเดีย ว, วเนี่ยละหมาดวักตัวเดียวไม่ใช่ห้านะแต่พอมาถึง5้าแล้วเนี่ยลงมาเจอท่านนบีมูซานบีมูซาบอกวยังเยอะยังเยอะอีกขึ้นไปขอไปอุท้อนอีกไปขออีก นบีมุฮัมมัดบอกว่ามีกล้ามีบางอาจอีแล้วไม่ขออีกแล้วอายแล้วท่านนบีมุฮัมมัดได้ยินเสียงเสียงจากอัลลอฮฺซุลฮานะว่าบัญญัติให้ละหมาดห้าว a ูถ้าได้ผลลบุญห้าสิบฉะนั้นเป็นบททดสอบของของปะชาชาติอิสลามนะ ที่ได้บัญญัติละหมาดมากกว่ายิวยิวในละหมาดครั้งเดียวนะครับหนึ่งวันหนึ่งคืนเนี่ยครั้งเดียวนะเขายังไม่รอดเลยอนะ่ะฉะนั้นมุสลิมละหมาดห้าวักตูถ้าทำได้นะแสดงว่าเราผ่านบททดสอบที่ยิ่งใหญ่แล้วมันแสดงถึงแสดงถึงข้อผูกพันระหว่างระหว่างคำสั่งสอนที่อยู่ในคุรานในคัมภีร์เนี่ยที่มีพูดถึงเรื่องละหมาดบ่อยครั้งนะนับไม่ถ้วนเลย และก็เรื่องการแสดงสวามีพักต่ออัลลอ์นี่จะแสดงยังไงอ่ะสลาึงเป็นเรื่องสุดท้ายที่นา บ, บีมุฮัมมัดฝากไว้ก่อนที่จะวิญญาณออกจากร่างของท่านสลาตัสลานาย บ, บี น, บนที่จะตายนี่นะอัลสัสลา ส, สั่งเสียไว้ละมาดเรื่องที่สำคัญเราจะแย่ขนาดไหนนะครับพี่น้อง เราจะทำความชั่วขนาดไหนเราจะเป็นอะไรเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเราพยายามรักษาละหมาดห้าว a k t ูให้ได้มันจะเป็นมันจะเป็นภูมิคุ้มกันสำคัญสำหรับตัวเราสำหรับสังคมตัวเราเองรักษาห้าละหมาดเวลาห้าห้าเวลาห้าว aktu สังคมเนี่ยในมัสยิดต่างๆจะรักษาไว้ซึ่งเวลาละหมาดห้าว a k t ยเนี่ย มันเป็นสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของสังคมจริงมสัสยิดที่มีการละหมาดทาว a k ทุกว a k t ุเนี่ยคนก็เต็มมสัสยิดคนเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันไม่ทิ้งละหมาดถึงจะยังไงก็ไม่ทิ้งเกิดอะไรก็ไม่ทิ้ง น, นี่ทั้งหมดเนี่ยมันมันแสดงว่าเรายังหนักแน่น เรายังมีเสาหลักเรายังมีอะไรที่มันที่มันสร้างความเข้มแข็งในชีวิตของเรา Allah จึงบอกว่ายิดมั่นในคำพีและดำรงไว้ซึ่งการละหมาดคนเหล่านี้เนี่ยอินนาลาณูฎิยุเอจรานมุสลิฮีนข้อพิธมดานข้เหล่านั้นเน่ยอยู่ในสภาพมุสลิฮีนแท้จริงเราไม่ให้ศูญไปซึ่ง รางวัลของผู้ปรับปรุงแก้ไขทั้งหลายมุสลิฮีนเนี่ยไม่ใช่ซอลีฮีนอย่อาง เ, นานะานเนาดียเขาไม่ใช่ซอลีฮีนนะไม่ใช่คนซอลเล่หนะซอลเล่หเนีปลว่าคนดีนะไม่เขาเป็นคนซอแล้วแล้วก็เป็นมุสลิฮีนด้วยเป็นคนที่ปรับปรุงแก้ไขด้วยซึ่งมันสง ร, ระดับระดับซอลีฮีนซอลเหเนี่ยคนดี และระดับที่มันดีกว่าเนี่ยมุสลิมเนี่ยซึ่งเป็นคนดีและก็ปรับปรุงคนอื่นให้ให้เป็นคนดีด้วยนีด้วยอะไรการตะกวาที่รำลึกถึงวันเกียมะไอ้อะก่อนนานนี้แล้วอ้อะเนี้ว่ายึดมันในคำพีสามดำรงซึ่งกันละหมาด การรำลึกถึงอาคราจะทำให้เราเมีความสำนึกเสมอการที่เรามีคัมภีร์เนี่ยเราศึกษาคัมภีร์เรียนรู้กอ่านตลอดนี่ทำให้เราเนี่ยรู้อรู้อะไรถูกอะไรผิดการละมาเนี่ยมันก็คือพลังงานที่จะทําให้เราเนี่ยให้เอาคําสั่งสอนในคัมภีร์เนี่ยเอามาใช้ปฏิบัติและอะไรที่เราบกพร่องนี่ก็ขอพยโทษต่ตออัลลอฮ์แล้วก็ทําใหม่ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงตรงนี้นี่ยม่ช่มที่ว่าปรับปรุงคนอื่นอย่างเดียวปรับปรุงตัวเองด้วยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยคือการที่เราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ปรับปรุงตัวเองได้แตสภาพที่อ่อนแอลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองได้หกล้มไปหน่อยแต่ก็ลุกขึ้นมาอีกเป็นกําลังใจที่เราสัมผัสนวจิ้นแล้ให้ไว้กับมนุษยชาติคนง่ายเหลือเกิน ท่านจะมีความชั่วอะไรในชีวิตของท่านท่านจะติดยาเสพติดท่านจะติดเหล้ากินเหล้าหรือจะทำซินาหรือจะกินดอกเบี้ยแต่ท่านอยากจะปรับปรุงท่านอยากจะแก้ไขใครอยาบอกว่าไม่ได้ได้ได้เป็นไข่นิดเดียวสํานึกท่านสํานึกกลับเนื้อกับตัวนึกถึงวันกียร์มานึกถึงวันปรโลก และก็ศึกษาเรียนรู้คำภี้คำสั่งสอนในศาสนาดำเนิซึ่งการละหมาดและหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยพรากฏว่าสามอย่างเนี้เป็นข้อแตกต่างระหว่างประชาชาติอิสลามและประชาชาติยูยูเนี่ยเป็นประชาชาติทีแข็งกระด้างยูไม่มีนะครับเราไม่พบ เราไม่พบนะครับการละหมาดของอยูยูไม่เคยไม่เคยเอาการละหมาดของเขาเออตอนเขาละหมาดนี่เขาร้องไห้ตอนละหมาดเขาละหมาดแล้วก็มีความสำนึกก็มีก็มีความรู้สึกไม่มีคริสตียังดีกว่าเขานะคริสติยางทีเนี่ยเวลาบรรยายเวลาเขาเทศนานี่ก็มีร้องไห้มีอะไรเนี่ยเพราะอัลลอฮฺพูดถึงชาวคริสต์เนี่ย ว่าจงแล้ว ة น و, و ر หัวใจ ة องผู้ที่รับรูมพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้ามี่ทรงรักผู้มี่รับรู้พระเจ้า หัวใจของยูเนี่ยส่วนมากนะไม่เลยไม่อ่อนโยนเลยแข็งกระด้างเราไม่เคยพบนะครับยูที่เทศนาแล้วก็ร้องไห้เนี่ยแต่คริสต์ที่เรามีคริสต์ที่เราก็เห็นนะอิสลามนี่เพียบเลยเราจะเห็นเรื่องเรื่องบรรยายเรื่องละหมาดเนี่ยแต่ใเวลาคนเขาฟังฟังมุสลิมคนละหมาดเขาบรรยายเขาเทศนาแล้วก็เห็นเขาเขามีความสำนึกเขามีความ ซับซึ่งในสิ่งที่เ้าสอนเนี่ยในสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยเขาดูแปลกนีพราะเพราขาไม่มีนะที่อื่นนี่เขาไม่มีศาน ส, สนาอื่นนี่แทบไม่มีจึงนั้นเป็นข้อแตกต่างนะครับนเ่องความสำนึกสองเรื่องการศึกษาเรียนรู้คัมภีร์ไม่มีศาสนาใดในโลกนี้นะครับที่เจ้าของศาสนาให้ความสำคัญกับคัมภีร์เท่ากับบทอ่าน ความหมายกุตตาเนะ่ยที่อุลามาเขาได้เขียนความหมายกุตตาเนะี่ยนับเป็นแสนแสนเล่มนะมธรรมดาเสนอการใส่น ใ, น ใ, สใจเนี่ยคำเบียร์ุตตาเนี่ยในศา ส, สนาอิสลามถึงเป็นประจักติที่น้อยกว่ายุเนีกี่พันปีแล้ววะสามสี่พันปีแล้วคริสตเนี่ยสองพันปีแล้วอิสลามนี่พันสี่ร้อปีละแต่ความรู้เกี่ยวกับอัลกุตตานคำเบียร์ุตตาเนี่ยมากกว่าความรู้ของ ใบเบิลของเตาร้อเนี่ยหลายร้อยเท่าข้อแตกต่างในมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีสอนเรื่องราวของศาสนาออสอนศึกษาเรื่องราวของอัลกุรอานอย่างเชี่ยวชาญนะไหนจะใส่ใจเรื่องการอ่านกุรอานแบบหลักตะวีตอ่านให้มันถูกต้องเป๊ะ จึงไม่มีโอกาสที่จะบิดเบือนคุรานนี้จะบิดเบือนแม้กระทั่งในด้านอักษรอักษรเดียวนี่ไม่บิดเบือนในด้านการสำเนียงอ่านอักษรให้มันถูกต้องเป๊ะเป๊ะมัคโรจเนี่ยลักษณะของอักษรต้องออกยังไงคนไทยคนจีนคนพมา่าคนที่ไหนเนี่ยไม่ใช่อารบเนี่ยเขาก็ต้องเรียนเรื่องเตจูอี จะได้อ่ญญานกุรอ่านให้ถูกต้องเหมือนอาหรับเลยเ น, นี่ยนี่คือการใส่ใจความใส่ใจในกุรอ่ญญานในคำภียึดมั่นในคำภีเป็นอัตลักษณ์ของประชาชาติอิสลามได้เหน็นอย่างชัดเจนเลยนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งอะคมุลาอันนี้ประจักษ์ชัดเลยการลลมาด การละหมาดของประชาอิสลามนี่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของประชาชาติอิสลามมุสลิมเนี่ยอพยพไปอยู่ประเทศยุโรปนะเขาไม่มีที่จะละหมาดเนี่ยแต่เห็นว่าเออที่โบสถ์ชาวคริสเนี่ยเห็นเขาสร้างโบสถ์กันเยอะแยะจะไม่เห็นเขละหมาดเลยเขาก็เลยขอซื้อซื้อโบสถ์มัสยิดมากมายนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่ประเทศยุโรปทั้งหลายเนี่ย <laughs> ล ون, ้วนเคยเป็นอดีตเป็นโบสถ์แล้วก็ชาวคริสเตียนไม่มีใครมาละมาดกดลัวเรื่องน้ําข่าน้ําข่าไวนะแล้วก็ไม่มีคนมาละมาอขายไปให้มุสลิมดีกว่ามุสลิมเขก็เอาไปทํามสัสยิดแล้วก็ละบาทพอเอามาเป็นมสัสยิดแล้วเนี่ยไม่พอล้วนก็ต้องละมาดนอกมสัสยิดอีกนี่เป็นอัตลักษณ์เห็นความเด่นชัดเลยนะครับในการใส่ใจเรื่องการละมาทของมุสลิม และคนที่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ย Allah subhanahu wa taala จะให้เขาเนี่ยเป็นคนดีอยู่ในสภาพอัสลัยม์สลัยม์กปรับปรุงปรับปรุงตัวเองปรับปรุงคนอื่นปรับปรุงตัวเองยังไงหมายถึงว่าตัวเองถึงแม้ว่าจะยึดมั่นในคําพีสํานึกในวันเกียรติ์มาละหมาดแต่ก็อาจจะมีบาปทําบาปทําความชั่วใช่ไหมใช่แต่ถ้ายัางยึดมั่นในสามอย่างนี้นะยัง สามารถมาปรับปรุงตัวเองได้ฉะนั้นผมเตือนลูกศิษย์ลูกหาตลอดนี่นะครับทำยังไงให้หัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนทำยังไงนึกถึงวันเกียรมาเสมอล้วจะนึกถึงวันเกียร์มาเสม อ, อยังไงนะครับท่านเมิโซลล่ญญาเลวเซลลมเนตนให้ไปกูโบโนึกถึงความตายตลอดเพราะสหาบาบะว่าอัลกับรูอูลามนาซิล อ, อัคระกูโบโนี่ เป็นสถานีแรกของวันเกียร์มานึกถึงความตายนี่ก็นึกถึงวันเกียร์มาทันทีเป็นอัตโนมัติเลยสองศึกษากุรอ่านและหาริสตลอดมันศึกษากุรอ่านและหาริสอย่าทิง้งเอ๊แต่บางทีฉันก็ชีวิตฉันก็เลอะเทอะนะเดีฉันบางทีดีก็ฉันก็ทํานู่นทำนี้เดีวก็ฉันก็ไปเล่นบอลไปไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่เนี่ย อันนี้เมันเป็นก็เป็นพฤติกรรมที่เชตตอนต้องการมามาแทรกแซงชีวิตของผู้สถาไม่เป็นไรมันศึกษากุรานและหะดีใช้ดีนะครับแล้วมันจะเป็นประโยชน์สักวันอย่าทิ้งการเรียนรู้กุรานและฮะดีสั่งสอนลูกศิษย์เสมอนะครับบัวเรียนรู้กุรานนี่ทําให้เป็นกิจวัตรกิจวัตรสําคัญกว่า การดูเฟซการดูไลน์การดูรมือถือถ้าโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนี้ดูโซเชียลเนี่ยให้การศึกษาเรียนรู้กรุรอ่านสําคัญทุกวันเนี่ยต้องอ่านกราุรอ่านทุกวันมีต้องเรียนรู้กรุรอ่านสําคัญมากแล้วการละหมาดถ้าเรามีสมอย่างนี้นะครับถึงเราจะหกล้มก็ตามถึงเราจะเกิด มารสุมในชีวิตทำให้หลักอีมานหลักศรัทธาคุณธรรมของเรานี่มันสุดโทมลงมันสุดโทมลงแต่การียึดมั่นในสามประเด็นนี้สำนึกในอาคิีรัศึกษาคมพีก็คือกุรอานละหฮนี้นะแล้วก็นารงซึ่งการละหมาดตลอดนี่มันจะช่วยปรับปรุงตลอดคนที่ละหมาดฮวักตูนะครับแน่นอนเขาก็ต้องมีโอกาสมาสานึก กับตัวเองตลอดคนที่อ่านคุตอ่านแน่นอนเขาก็ต้องสํานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดคนนี้นึกถึงความตายตลอดแล้วมันเป็นเรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะเรื่องความตายนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลมากในโลกดุนยานี้เราอยากจะรู้ความตายนี่แค่ไปโรงพยาบาล น, นี่ก็รู้แล้วอยากจะรู้เรื่องความตายนี่ก็ไปกุโบ น, นี่ก็รู้จริงแล้วได้ขอ้อเท็จจริงแล้วมันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะเอาข้อเตือนนี้เนี่ย ไม่อยู่ในชีวิตของเราอหลังจากอาย่นี้ก็จะมีอีกอายะหนึ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านนบีมูซากับเบนุสรออิลแต่ที่เอามาตรงนี้เนี่ยเพราะมันมีท่อนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องคำภีรจะเรามาอ่านกันละกัมาดูว่อิศนตะตุนัลจเบลฟูคหุมแค่เนหุรุลเลตุ وظنوا أنه واقع بهم خذ ما آتيناك بقوات وذكر ما فيه لعلكم تتقون طعن دب نا إسرائيل ي ك ن ب موسى لك فعفن نبي موسى سَنُنَّ ِ ي و ََ ع ف ُ ن َ ن ََْ س ن ُ ن َ سَنِيَّهُ ك َ و َ ا ي َ ع ْ ف ُ ن ي َُ ن َّ الله سبحانه و ع ل ى َ س ّ ن ه ي ب ُ ك َ ا َ ط و ُ ب و َ ق َ ل َ م خ ل َ ا ف َ ك َ ن ให้ถูกถอนมาจากกรากของมันเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นจนเป็นเสมือนเมฆบนศีรษะของเขาเนี่ยอัลลอฮบอกว่าและจงรำลึกขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นภูเขาลูกนั้นอาอะไรมาขคล้ากันภูเขาลูกนั้นแต่ไม่เป็นไรอะไรที่คุรอานเนี่ยไม่ได้ร้อง ล, ละเอียดมันก็ไม่มีประโยชน์กับภูเขาลูกหนึ่งแล้วกันไหวตัวไหวตัวนี่ก็มันคือมันขยับตัวแล้วนะแล้วก็ขึ้น และถอนตัวขึ้นเนื้อพวกเขาประนหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ให้เงารมเงามเงาร่มเป็นสิ่งที่ให้เงาร่มกระนั้นหมายถึงว่าวุ่นละนี่ก็เหมือนเป็นเงามร่มเหมือนเราร่มแล้วก็มีเงาแต่วุลนละตรงนี้เนี่ยมันก็สมัยโน้นนะครับมันก็ไม่มีร่มเหมือนปัจจุบันนะนะวุ่นละนี่ก็ถ้ามีอะไรที่มันเป็นเงาเนี่ย ไม่ดีไม่เงาที่ไม่ดีเกิดจากอะไรบนโลกบนแผ่นดินเนี่ยเงานี่ก็คือเงาของเมฆพอเมฆนี่บางทีมันก็บังแสงแดดฉะนั้นชื่อหนึ่งของเมฆนี่ก็คือวุ่นละก็หมายรวมว่าอัลลอฮ์ให้ภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยไหวตัวแล้วก็ขึ้นไปอยู่เหนือศีรษะเขา เสมือนมันเป็นเมฆที่มีเงาที่มีร่มเงาบังแดดจะรู้สึกยังไงอู่เขานี่ขึ้นมาอยู่บนบนหัวเราเลออิเลห์อิลสิ่งที่อัลลอฮฺทดสอบบรุส่นนไม่ใช่แต่และเรื่องนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วอัลบก็จงรำลึกนะจงรำลึกนี่หมายถึงว่า ถ, ถ้าท่านบอกเขาว่าเขารู้เลยเขานึกออกเลยทาไม่อ้พเป็นเรื่องใหญ่ที่เขารู้กันว่ามันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับที่อลัลลอะเตือนและอย่างที่บอกอย่างที่บอกกับพี่น้องหลายครั้งนะครับว่ถ้าเราดูสิ่งที่อลัลลอฮเตือนบรรณุอิส ร, รามในแต่ละครั้งเนี่ยมันบ่งชัดว่าหัวใจของเขาเนี่ย มันเชิญไหนกระด้างเพราะแต่ละเรื่องที่เตือนนี่มันมันคือถ้าเรามีหัวใจที่อ่อนโยน น, นิดหนึ่งอะ่ะไม่น่าจะต้องเตือนขนาดนั้นน่ะไม่น่าอาจจะเอาผู้เขาลูกนึงเนะี่ยมาขึ้นอยู่บนศีรษะนี่จะได้เตือนจะได้ข่มขู่นอกจากว่าต้องหัวใจเขานี่แข็งกระด้างขนาด ไม่ช่เราที่พูดนะครับว่าหัวใจแข็งกระด้างนะอัลลอ์บอกทุ่มมะกัสตกุลูบุุมสุลลบักอห์ซึ่งสุลตบกอรอห์นี่ก็ล่าเรื่องราวของท่านนบีมูซายอย่างทุมมะกัสตคุลูบุคุมนบัด่น่นค่กัลฮิารวชดกัสอัลลอ์บอก่หัวใจของพวกเจ้าบรรดอิสรอลภายหลังจากนั้นหลังจากฝ่าฝืนนบีมูซาแล้วก็มี สัญญาณมีม้อกิจาศอภินิหารเยอะแยะเกิดขึ้นพวกเจ้านี่ก็ไม่เอาไหนเลยอะนะหัวใจของพวกเจ้านี่แข็งกระด้างกว่าก้อนหินอันนี้เนี่อัลลอฮ์พูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมแสดงว่าจริงไหมะละ่ะการที่อัลลอฮ์ได้ทำอภินิหารต่างๆเพื่อคมขู่เพื่อตเตือนบรรดาสรีนี่เนื่องจากหัวใจที่แข็งกระด้าง เราก็บอกว่าเราเราไม่ไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากเห็นหมอจิจาดอภินิหารเราอยากมีหัวใจที่อ่อนโยนน้อมรับบัญชาของเราสมภ า, ารนาวดาอะไรง่ายๆดีกว่าจะเห็นหมอจิจัดบางคนบอกว่าอยากเห็นหอภินิหารนะไม่ไม่ไม่ต้องเห็นเพราะการที่เห็นหมอจิจัดนี่แสดงว่าเราเชื่อยากคนที่เชื่อยากต่างหาก ที่อยากได้เห็นมรดิสานไหนอมันจิงบาวอะไรเงียหมประชาชนาอิสลามเนี่ยหัวจจอ่อนโยนทำไมอะเพราะมีคุรอา่านเชื่อด้วยคุรอ่านคุรอา่รอานนี่ไม่ใช่เป็นอภินิหารที่ต้องเห็นแกตาสัมผัสกับมือเหมือนที่บรรณอิสราเอลพบและเห็นนะไม่คุรอ่านนี่มันเป็นข้อตักเตือนที่เข้าหัวใจง่ายและถ้าหัวใจ อ่อนโยนนะโอ้โหกูอ่านเข้าบปอยู่ในหัวใจในี่ได้ผลทันทเีเราขอให้เป็นแบบนั้นจงดำลึกขณะที่เราได้ให้ภูเขาลูกนั้นไหวตัวและถอนตัวขึ้นเหนือพวกเขาพระเด็นหนึ่งมันเป็นสิ่งที่ให้เหงาร่มกระนั้นและพวกเขาคิดว่าว่นหนูพวกเขาคิดว่า น, นู อันหน้าหัวขนบีมว่ามันจะตกตกลงทับพวกเขาอยู่บนศีรษะจนกระทั่งเขาคิดว่าหัวใจนี่ยดี๋วมันก็ตกแล้วก็ไปทับพวกเขาเลยคคดูมาอาตันาคุมเบกัวอัลลอฮฺทำไมเอาภูเขาขึ้นบนเหนือศีรษะเนี่ยคมคู่เขาเนี่ยเพื่ออะไรครับโคดูมอาอตนาคุมพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ให้ ไว้แก่พวกเจ้าด้วยความเข้มแข็งและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นน่ะก็คือในคำพีในสิ่งที่อัลลอฮประทานให้พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้เก่งกลัวละลักุมเัตตะกูนรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดสมัยต้นนบีมูซาแต่ทำไมอัลลอฮเอามาพูด ตรงนี้หลังจากที่พูดถึงเรื่องเรื่องคัมภีที่เราจะต้องยึดมั่นเพราะประชาชาติยุคก่อนอย่างบรุอิสราเอลนะะอัลลอฮ์จะได้เตือนให้เขายึดมั่นในคมภีเนี่อัลลอฮ์เอาภูเขาลูกหนึ่งมาให้อยู่บนศีรษะแล้วก็ข่มหูเขาเนี่ยโคตรหูมาอาตนานกะุมจงยึดมั่นจงเอาให้ทิมแข็งคู่ขนาดนั้น เท่ากับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างว่าแต่คนรุ่นก่อนนะอย่างบรนุอิสราเอลเนี่ยอัลลอฮ์มขูเขาแบบนี้แต่ประชาชาติอิสลามเนี่ยอัลลอ์ไม่ได้ใช้วิธีนี้เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราได้มีหัวใจที่อ่อนโยนที่ยอมรับยอมสวามีพักยอมจำนน ต่อคำสั่งสอนง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมาค่มคู่ข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนยะครับพี่น้องลองมาคิดดูสิอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวอายะสุดท้ายหนึ่งในมรดสมีวันนี้เรามาคุยตรงนี้เพราะมันเป็นเรื่องสําคัญข้อแตกต่างระหว่างหัวใจที่แข็งกระด้างและหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่แข็งกระด้างจะต้องมีอะไรที่มันรุนแรง เหมือนคนใช้ชีวิตในโลกนี้แบบเจ้าสำราญเจ้าบันเทิงทำอะไรไปเรื่อยๆไม่มีความสำนึกอะไรเลยเนี่ยจนกระทั่งต้องมีคนใกล้ตัวมากเนี่ยเสียชีวิตสักคนหนึ่งจึงเป็นข้อเตือนที่สะเทือนใจเฮ้ยเรื่องนี้มันมีความตายอา้าว แล้วความตายเนี่ยตัวเองเพิ่งรู้ว่ามันมีความมัน <c oughs> ใช่แต่มันเผลอมันลืมไงแล้วมานึกออกเนี่ยพอมันจะมาโดนคนใกล้ตัวคนหยุดใกล้ๆเราบางทีลูกเรานี่อุ้มแล้วก็ตายกับมือบางทีเป็นเพื่อนเราเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันในกำลังกอดอกกันกอดไหลกันอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนร่วงตายเลยอ่ะเราถึงต้องเตือนคนบางคนขนาดนั้นหรือ เนี่ยหัวใจที่กระด้างเราขอต่ออัลลอฮ์นี่เราอย่าได้มีไม่ต้องมีข้อเตือนขนาดนั้นจะได้หัวใจรับข้อตักเตือนเราขอต่ออัลลอฮ์ให้หัวใจของเราเนี่เป็นหัวใจที่อ่อนโยนข้อแตกต่างระหว่างหัวใจที่กระด้างและหัวใจที่อ่อนโยนหัวใจที่แข็งกระด้างาต้องมีอะไรี่สะเทือนถึงจะเตือนถึงจะตื่นเฮ้ย พอรู้แล้วว่ามีความตายเริ่มสานึกแล้เริ่มกลับเน้กับตัวแล้วแต่คนนี่หัวใจอ่อนโยนนะนะสกิดนิดหนึ่งสกิดนิดหนึ่งเอ่อยเรื่องความตายเนี่ยเอ่อยเรื่องวันเกียรมเอ่อยเรื่องสวรรค์เอ่อยเรื่องนรกเอ่อยเรื่องอัลลอฮ์อนเดียลลาบาะ الذي نَإِذَا ذ ُ ك ر ا ل ل ه ُ ن م ا ا ل م ؤ م ن و ن ا ل ذ ي ن ذ ا ذ ك ر ا ل ل ه و ج ل ت ق ل و ب ه م แค่เอ่อยพระนามอัลลอ์เท่า น, นั้นแหละ ว่ายีละหัวใจของเขานี่ก็อ่อนไหวแล้วหัวใจของเขานี่ก็รำลึกแล้วนี่หัวใจที่อ่อนโยนนี่คือข้อแตกต่างทำยังไงจะได้หัวใจของเราไม่แข็งกระด้างให้หัวใจของเรานี่อ่อนโยนตลอดหัวใจของเราเนี่ยจะแข็งกระด้างถ้าลืมนานๆปล่อยทิ้งนานๆอะไรเนี่ยสามเรื่องที่บอกข้างต้น เรื่องการสํานึกรําลึกถึงความตายถึงวันเกียรมะเรื่องการศึกษาเรียนรู้หลักการศาสนาคําสั่งสอนแล้วก็ละหมาดทิ้งนานๆ น, นะหัวใจจะกระด้างนี่นะไม่นึกถึงความตายไม่นึกถึงวันเกียร์มะไม่นึกถึงสวรรค์นรกไม่นึกถึงกุฎอ่านไม่อ่านกุฎอ่านไม่ละหมาดอะไรนี่เป็นปีๆเป็นสิบๆปีนั่นนะหัวใจกระด้างกระด้างแน่น ถึงเราจะมีความผิดจะมีความชั่วแต่เราก็พยายามสำนึกถึงเรื่องความตายเรื่องวันเกียมมาสำนึกอ่อานสังอ่านกุอานศึกษากุอานฮะดีสตลอดแล้วก็ละหมาดไม่ทิ้งเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราจะไม่แข็งกระด้างพอสกะกิดนิดนึงก็ดึงได้ดึงได้ง่ายว่าคนที่คนที่อยู่ใกล้ชิดกับการศาสนาเนี่ยดึงง่าย แต่คนี่ห่างไกลเป็นโอ้โหนี่ตรงลากเชือกมา ก, ก็จาจะดึงกลับมานี่มันยากทำยังไงให้พวกเรานี่อยู่อยู่ใกล้ชิดกับการศาสนาพี่น้องพวกพวกที่จะให้เราเนี่ยลำมาตลอดพอถึงเวลาแล้วมาถ้าเราลืมมีคนเตือนถ้าเราเผลอไปนี่ก็เขาดึงมาถ้าเราจะไปมั่วจะอะไรนี้มาเรียนฮะดีสมาเรียนกุษ์อ่านกันนะ่ะ มาม า, มาอยู่อยู่ในบรรยากาศเพราะเราลืมลืมอะไรอ่ะลืมมลเรียม่าลืมความตายก็จะมีคนมาเตือนเราไปฟังบรรยายหน้าที่ของเรานะ่ครับพยายามเลือกบรรยายที่มันเตือนสติเตือนหัวใจบ้างอย่าไปอย่ามวแต่ไปฟังบรรยายเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องความขัดแ ย, ย, ย้งอย่างเดีย อุลามาคุณมันจะโตอุลามาคุณไปไปไปไปไปกันก็นําเลยบรรยายที่ไหนงานที่ไหนอยากให้มันเต็มมานะหัวข้ออุลามานี่จะโตอุลามานูน่นไปโองานเต็มเติมคนก็ชอบแต่ลองบรรยายเรื่องวนเกียรมาเรื่องสวรรค์คนคนไม่อยากไปฟังคนไม่อยากข้อเตือนไม่อยาก อะไรมาเตือนสติเขาเขาอยากอยู่ในโลกนี้แบบสบายๆอยากสนุกไงเราอย่าเป็นแบบนั้นนะครับอันตรายผมเตือนลูกศิษย์เสมอนะครับว่าอย่าไปแสวงหาความรู้สนุกสนานกับความรู้นี่คือลานัดนี่คือนี่คือหายนะ ก, การสรับแช่งแห่งความรู้ที่เรากําลังประสบในชีวิต หาความรู้ด้วยการหาความขดัดแยง้งเขาทะเลาะกันที่ไหนเนี่ยจะไปเรียนรู้ศาสนาจากการทะเลาะของชาวบ้านไม่มีบรารักัดเลยไม่มีความสิริมงคลเลยในเรื่องความรู้และสุดท้ายกระพบนะครับบรรดาเยาวชนที่มัวแต่หาความรู้กับเรื่องความขดัดแยง้งระหว่างผู้รู้สุดท้ายนี่หัวใจก็จะขแข็งกระด้างและสุดท้ายทิ้งศาสนาไปไม่เอาเลย ไม่เอาศาสนาไม่เอาสักอย่างหนึ่งเลยหมดไปเลยก็เจอมาเยอะแล้วแต่ขอให้วกเรานี่อยู่ใกล้ชิดกับหลกักการศาสนาอยู่ใกล้ชิดกับความรู้ความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่ทําให้หัวใจของเรานี่อ่อนโยน ต, นตอนตอนตะก่อนนู้นตอนที่ผมมีสุขภาพแล้วก็ บ, บรรยายตะเวนบรรยายเนี่ยผมบอกกับพี่น้องฟังบรรยายเนี่ยต้องกลับมา ตรวจสอบหัวใจถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยอ่อนโยนหัวใจของเราเนี่ยดีขึ้นหัวใจของเราเนี่ยมี إيمان ม, มากขึ้นเนี่ยเออมาฟังต่อแต่ถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยอย่ามาฟังผมอย่ามาฟังผมเลยมาฟังบรรยายแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยมันเท่ากับกินยาแล้วมแล้วรู้ว่าไม่มีประโยชน์ก็ต้องไปหาหมอแล้วก็บอกว่าหมอครับยานี่มันไม่มีประโยชน์หมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้ แต่เมื่อแต่จะมาฟังบรรยายแล้วก็ไม่มีประโยชน์ฟังบรรยายเพื่ออะไรครับแล้วถ้าเราฟังบรรยายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เนี่ยบางทีมันอาจจะมีมปัญหาของเรียกอะไรจานรับมันต้องมีจานรับขึ้นไงรับสัญญาณหัวใจของเรานี่มันรับหรือเปล่าหูเรานี่ก็ฟังฟังกระแสเสียงอยู่แล้วแต่หัวใจสมองนี่รับไหม รับคุณธรรมรับคาสั่งสอนทราบซึ้งไหมอัลลอฮฺบอกว่าอินนาฟิดะลิกะละดิกราะลิมันการะเลห์วัลบุน أوألقى السمعة وهو شهيدمن จะเป็นอุตตาห์จะเป็นข้อดักเตือนสำหรับคนที่มีหัวใจและคนที่สนับฟังหัว ي, ى, را, ى ه أ ا د ي ى ه, ه ي د แล้วก็มีความพร้อมนี่ ก็ยิ้มในหนังสือเพราะว่าบอกคนนี้นี่นี่นี่คือจุดสําคัญนะความพร้อมพร้อมคือสดับฟังนี่ก็ได้เนี่เรานี่หูไม่อวกนะครับฟังอยู่สดับฟังเนี่ ย, ย, ย, ห, ห, ะะ ย, ยหัวใจนี่ก็มีแต่พร้อมหรือยังละ่ะพร้อมที่จะรับคําสั่งรับความรู้มานี่แล้วก็ฝากกับหัวใจแล้วก็เอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปขยันขยันให้มันมีประโยชน์ให้มัน เกิดประโยชน์ในชีวิตพร้อมเรียงหรือเราไปฟังบรรยายนลองวิชาหรือไปดูเขาจะทะเลาะกันเรื่องอะไรเขาจะโต้กันเรื่องอะไรเขาจะด่ากันเรื่องอะไรเขาจะพูดอะไรอร่อยออร่อยว่าคนนู้นว่าคนนี้ไอน้นี่ความรู้ไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเราแน่นอนไม่มี ชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยเราจะมีโอกาสฟังบัญญายอะนะครับเรียนรู้อะไรเยอะเนี่ยพี่น้องขอให้มันเป็นหลักการหลักการเป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่พี่น้องเอาไปใช้ไปปฏิบัตินะแล้วเราจะได้ประโยชน์มหาศาลในการเรียนรู้ในการศึกษาในประโยชน์สําคัญผมก็ได้ประโยชน์สําคัญนะครับจากสองสามอายะเนี่ยรำลึกถึงวลเกียร์มาถึงความตายสเรียนรู้อุบายละหดีิเสมอเสมอสามดรงซึ่งการละหมาดอย่าทิ้งละหมาด ส ų, os, ่วนนีก็เรื I ่องรืมอาเรื่องที่กลัวเรื่องที่กลัเพราะการเรื่องนี้ถือว่าเป็นการรัลมิตรอัลลอฮอัลลอฮฺบอกเบือนเนาบีมุสาวะคืนศลาระลิฎรีเรื่องารืมองนี้เพื่อรรลึกิึงอัลลอ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ถ้าหากว่าเราได้มีหัวใจที่อ่อนโยนขอให พวกเราทุกคนนะครับได้มีหัวใจที่อ่อนโยนที่พร้อมที่จะรับบัญชาจากองคะนเจาลให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราด้วยนะครับยมดีวย